Oh. สำคัญสําหรับชาวพุทธนะก็ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนั่นคือวันวิสาขาบูชาจริงถ้าจะนับแบบคนโบราณนับวันแบบคนโบราณนี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของวันขึ้นสิบสี่ค่ำนะอาจากขึ้นวันใหม่หรือสิบห้าค่ำนี่ก็อีกไม่ถึงชั่วโมงครั้งหน้า เมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะนะก็ถือว่าขึ้นวันใหม่แม้กระนั้นเนี่ยนะก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เราเลอกถึงความหมายของวันวิสาขาบูชาเราก็ได้เรียนมาตั้งแต่เล็กนะ วันวิสาขาบูชาคือวันที่เราลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธศาสนาที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพุทธประวัติก็คือการเกิดการตัดสรุปปรนิพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในวัน ขึ้นสิห้าข้ามเดือนหกแต่ว่าต่างปีต่างศักราชความหมายสั้นๆเนี่ยการเกิดการตัดสู้การเปรียิพันธ์ของพระพุทธเจ้าอันนี้มันมีมันแฝงความหมายหน้าที่สำคัญนะที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยความหมายที่ว่านั่นคืออะไรนะ ประการแรกเนี่ยเนะี่การประสูติและการปรนิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งแสดงถึงสัจธรรมหรือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นนั่นคือคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเช่นนี้นะกับมนุษย์ทุกคนทุกชีวิตไม่เป็นแม้แต่ พระพุทธเจ้านะหรือพระบรมศาสดาแม้พระองค์จะประกอบด้วยคุณสมบัติของมหาบุรุษเหนือมนุษย์มากมายหลายประการแต่พระองค์ก็ในแง่ของสังขารเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้เสท่ามความจริง นั่นคือว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงที่เราทุกคนนะก็ควรจะระลึกนึกถึงอยู่เสมอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกให้เรารู้ว่า มนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะพ้นทุกข์ได้มีความสามารถที่จะเป็นอิสระจากความเกิดและความตายได้อันนี้เป็นสิ่งที่การตัดสุุของพระพุทธองค์เนี่ยได้แสดงให้แก่เรา พระพุทธองค์เนี่ยถึงอย่างไรพระองค์ก็เป็นมนุษย์นะแรกเริ่มเดิมทีพระองค์ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนไม่ต่างจากเรามีความทุกข์มีความโศกมีความขับแค้นใจแต่สุดท้ายเนี่ยนะพระองค์ก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นได้ ด้วยการที่นำเอาศักยภาพมาทำให้เกิดการตัดสรู้รู้แจ้งในธรรมนะจนเป็นอิสระจากความทุกข์ศักยภาพที่ว่าเนี่ยมันก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนด้วยเหมือนกันรวมทั้งเราด้วย อย่างที่ผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยอริยะโลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคนเราทุกคนเนี่ยนะมีทรัพย์อริยทรัพย์นะที่ประเสริฐมากก็คือความสามารถในการที่จะอยู่เหนือโลกนะโลกุตร์แปลว่าเหนือโลกอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนือทุกข์ได้ อนนี้สักยภาพที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงหรือทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกข์เนี่ยมันก็ต้องอาศัยนะการปฏิบัติ ด, ด้วยการปฏิบัตินะที่จะเป็นเครื่องจะเรียกว่าปลดปล่อยศักยภาพที่ว่า ที่มีเวลาในตัวเราให้พาเราเนี่ยเข้าสู่อิสระจากความทุกข์แล้วก็ปฏิบัติที่ว่านี่นะก็เรียกอย่างนั้นคือเป็นเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าความดีอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึง ข้อปฏิบัติด้วยจริยะจริยาเนี่ยมันข้อปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพแล้วก็ทำให้ศักยภาพของเราเนี่ยมันเติบโตจนกันทั่ง บรรลุถึงความพ้นทุกข์ได้มันก็คง ค, คล้ายๆกับมเมล็ดพันธุ์เนี่ยน ะ, มะเมล็ดพันธุ์เล็กๆเนี่ยทุกมเมล็ดเลยนะล้วนแต่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ใหญ่ขนาดหลายคนโอบนะสูงเป็นร้อยเมตรก็มีนะสูงเป็นหลายสิบเมตรก็มี ต้นไม้ใหญ่ๆนะจะเราเห็นในป่าลึกแม้กระทั่งหน้าวัดเราเนี่ยมันมาจากเม็ดเล็กๆนะแต่ในเม็ดเล็กๆนั้นเนี่ยอัดแน่นด้วยศักยภาพเนี่ยที่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ตัวเราก็เหมือนกันนะมีศักยภาพในการที่จะ บรรลุซึ่งนะความพ้นทุกข์หรือหมายกวาว่าโพธิในใจของเราเนี่ยมันพร้อมจะเติบโตเบ่งบานจากกล้าเล็กๆน้อยๆนะียจนกลายเป็นต้นไม้สูงใหญ่ได้ให้ความร่มเย็นนะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสรรพชีวิต สกิภาพที่ว่านี่นะสำหรับมนุษย์เราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการปฏิบัติซึ่งพูะจ้าก็ได้ส่งแสดงหรือบอกทางกับเราแล้วแน่นวันวิสาขาบูชาเนี่ยความหมายที่เราคุ้นเคยเนี่ยคือประสุตัสรุบ ป, ปรีพานเนี่ยจึง อัดแน่นไปได้วยความหมายคุณค่าที่ว่าเนี่ยสะท้อนถึงสัจธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นหัวใจนะของพุทธธรรมเลยทีเดียวคำสอางของพระเจ้าเนี่ยก็สรุปย่อๆก็เหลือแค่สองเนี่ยคือสัจธรรมและจริยธรรมสัจธรรมคือความจริงที่หนีไม่ทุกคนหนีไม่พ้น แต่ขณะเดือกันนะจริยธรรมเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติที่อาศัยสัจธรรมความจริงนั้นเนี่ยเปิดทางให้มนุษย์เราเนี่ยเข้าสู่ความพ้นทุกข์ที่เรียกวันนิพพานได้เราคงทราบอยู่แล้วนะว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ย เกิดขึ้นได้เพราะทรงมีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมสัจธรรมที่ว่าไม่ใช่สัจธรรมทั่วๆไปแต่มาถึงสัจธรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกข์และความดับทุกข์ทุกเกิดจากอะไรแล้วทุกข์ดับไปได้ เพราะอะไรตอนที่พูะเจ้าเนี่ยทรงค้นพบ ส, สัจธรรมที่ว่านียพระองค์ก็ตระหนักดีนะว่ามันเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยากที่คนจะเข้าใจสัจธรรมที่ว่านี่คืออะไรนะ พระองค์ก็สรุปมาแล้วก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะก็คือกระบวนการแห่งการเกิดทุกข์และกระบวนการแห่งความดับทุกข์นี่คือธรรมะที่พระองค์เนี่ยตัดสรุเห็นแจ้ง บางทีก็เรียกว่าอาสะวะขยัยานอาสะวะขยัยานก็คือยานที่ทำให้อาสะวะทั้งหลายหมดสิ้นไปปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเป็นธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบที่ทำให้ทรงเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่พระองค์ก็รู้ว่ามันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียด ลึกซึ้งมากยากที่มนุษย์เนี่ยผู้ทชนทั่วไปจะเข้าใจอาทีแรกพวกก็ไม่ปรารถนานะหรือไม่คิดว่าจะแสดงธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ให้กับใครได้เพราะเป็นเรื่องยาก แต่ตามตำนานก็ว่าเนี่ยท้าวสหมดีพรมเนี่ยได้มาทูลอารถนาให้พระองค์แสดงธรรมแก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าผู้ที่สามารถจะบรรลุธรรมได้นั้นมีอยู่สุดท้ายพระองค์ก็รับอารถนาแล้วก็เริ่มการนะแสดงธรรมแต่ก็อย่างที่ ได้กล่าวไว้นะว่าธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากที่คนจะเข้าใจได้งั้นตอนที่พระองค์เริ่มแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์ก็จะเรียกว่าทําให้ธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม ท่านที่พระองจะตัดจะตัดสอนปฏิจจสมุปบาทพระองค์ก็ปรับแต่งให้เป็นอริยสัจสี่นะอย่างที่เราก็ทราบดีนะว่าเมื่อพระองค์เนี่ยตัดสรุแล้วพระองค์ก็ไปหาปัญจวัคคียนะ์ที่ป่ายิสิปตันอเมริทยวัน แล้วก็แสดงธรรมให้ปจัจจวคีจงกระทั่งทั้งห้าท่านเนี่ยได้บรรลุอรหัตผลตอนที่แสดงธรรมครั้งแรกนีที่เรียกว่าปฐมเทศนาเนี่ยลงแสดงอริสัตถีไม่ได้แสดงปฏิจจสมุปบาทเพราะอริสัตถีเนี่ยเข้าใจได้ง่ายกว่าและสุดท้ายนะ ก็มีพระโสดาบันเกิดขึ้นเป็นท่านแรกนี่คือพระโกนทัญญาต่อหลังอีกสีท่านก็ได้บรรลุธรรมตามมาไม่ใช่แค่พระโสดาบันนะแต่เป็นพระระหันเลยทีเดียวพระองค์ได้นำเอาธรรมะที่ลึกซึ้งนี่นำมานมาปรับนำมาจัดหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายนะอเรศสัจสี่ก็ดี ทางสายกลางหรืออะไรยมมีมองค์แปดเนี่ยพวกนี้เป็นธรรมะที่ปุถุชนเนี่ยอย่างพวกเราเข้าใจง่ายแต่เมื่อเข้าใจางถึงที่สุดแล้วนะก็ย่อมเห็นว่าเนี่ยสัจธรรมหรือเหตุแห่งการเกิดทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นปฏิจจสุ บ, บาท งั้นก็เป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้ไว้บ้างนะปฏิจจสมบาทเนี่ยกระบวนการแห่งการเกิดทุกข์และกระบวนการแห่งการดับทุกข์ปฏิจจสมบาตนี่แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ว่าสาระสําคัญเนี่ย ในแง่เนก็คือความทุกข์เนี่ยโดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งในใจของเรางั้นเรามาดูนะเนี่ยเมื่อเกิดผัสสะแล้วเวทนาตามมา ก่อนที่จะเกิดทุกข์เนี่ยโสกะปริเทวะความโศกความรำไรลำพันเนี่ยมันมีกระบวนการอื่นๆเกิดขึ้นก่อนนะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเมื่อมีสิ่งใดมากระทบกับเราที่เราผัสสะนะลูบรถกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าเหตุการณ์เช่น ความสูญเสียความพัดพรากจากของรักความเสือ่อมความสลายจากคนรักของรักเนี่ยเมื่อเรารู้เมื่อเราทราบอันนี้เราเกิดผัสสะแล้วมีเวทนาเวทนานี้ก็เช่นทุกขเวทนามันไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกทันทีนะมันต้องผ่านอีกหลายขัอ้นตอน เวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติจรามรณะแล้วจึงเกิดโศกะปริเทวะผู้ยางั่คือว่าเมื่อเกิดภัสสรหรือเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเรานี่มันไม่ใช่ว่าทุกจะเกิดขึ้นทันทีนะมันต้องผ่านหลายขั้นตอนซึ่งเรียกรวมๆ ว, ว่าการปรุงแต่งทางจิต ตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะนี่เป็นล้วนแต่ เ, เรื่องการปรุงแต่งทางจิตซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติหากว่าการปรุงแต่งทางจิตไม่เกิดขึ้นนะมีผัสสะแล้วแม้เวทนาจะปรากฏนะแต่ว่าไม่มีการปรุงแต่ง ไม่เกิดตัณหาอุปทานพบชาติชารามรณะความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้ความความหมายคืออะไรความหมายคือว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งในใจหรือว่ามันเกิดจากสาเหตุที่ใจนั่นถ้าเกิดว่าอยากจะดับทุกข์เนี่ยนะมันต้องไปจัดการ การปรุงแต่งในใจหรือพูดง่ายๆคือว่าต้องมาแก้ที่ใจถ้าไปแก้ที่อื่นหรือด้วยวิธีอื่นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะดับทุกได้อาจจะแค่กบเกลื่อนนะชั่วคราวอย่างเช่นเนี่ยคนเวลามีความทุกข์มีความโศมีความเครียดเนี่ยนะก็ไปหาสิ่งเสพนะ บางคนก็กินเหล้าบางคนก็ไปหายาเสพติดอันดีกว่านั้นหน่อยคือว่าไปหาของกินไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิ้งไปสูกสนานเฮฮาอันนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่คนนิยมแต่ว่า มาแม่เป็นการแก้ปัญหาที่ใจของตัวทุกเกิดที่ใจแต่ไม่ได้แก้ที่ใจไปใช้วิธีอื่นไปหาสิ่งเสพไปหาความสุขสนานมามันก็ไม่สามารถจะแก้ทุกได้แต่นี่คือวิธีการที่คนใช้หรือปฏิบัติกันมันจะว่าไปก็ไม่ต่างจาก ผู้ชายคนหนึ่งนะทำกุญแจหายในทุ่งหญ้าแต่ว่าแทนแทนที่จะหากุญแจนั้นในทุ่งหญ้ากลับมาหากุญแจใต้โคมไฟริมถนนก็เดินหายนั่นแหละจนกระทั่งมีคนผ่านมา สงสัยก็เลยถามว่าหาอะไรเขาบอกหากุญแจเขาก็เลยช่วยหาด้วยหาแล้วหายก็ไม่เจอก็เลยถามชายคนนั้นว่าเนี่ยกุญแจเนี่ยทำตกที่ไหนพอจะรู้ไหมพอจะเดาได้ไหมล้วบอกคงจะทำตกในทุ่งหญ้าอ้าวแล้วทำไมมาหาตรงใต้ ตรงริมถนนในะต้โคมไฟเก็ใต้คำตอ่มันหาง่ายดีมันสว่างเนี่ยทางเรียบมันหาง่ายแต่มันยังไงหางไงก็ไม่เจอก็อเหมือนกันนะคนเราเนี่ยดับทุกแก้ทุกด้วยวิธีที่ง่ายก็คือไปหาสิ่งเสพไปเอาลาบดด สารเสรินเนี่ยแสวงหามาเพื่อที่จะดับทุกข์ทั้งที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ทุกข์ที่แท้จริงเพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่ตัวสาเหตุไม่ได้ไปจัดการที่ตัวสาเหตุคือสมุทยัยแต่ที่คนยอมเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายแต่ว่าง่ายไม่ได้แปลว่ามันได้ผล วิธีที่ง่ายนะมันไม่ได้ผลจะต้องไปหากุญแจก็ต้องนะยอมไปลุยในทุง่งหญ้าจะดับทุกข์ที่ใจก็ต้องไปแก้ที่ใจแก้ที่ใจนี่ก็ต้องฝึกจิตโดยมีการรักษาศีลหรือว่าการบำเพ็ญกุศลเนี่ยเป็นตัวเสริม ถ้าเรารู้จักนะแก้ทุกที่ใจโดยพอเมื่อเกิดเหตุร้ายเหตุการณ์ต่างๆมากระทบหรือว่าเกิดภัสสะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรามีสตินะไม่ปล่อยให้ตัณหาอุปาทานพบชาติเกิดขึ้น ความทุกข์ใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะมีคนตะโกนด่าใส่หูเราแต่เราไม่ไปยึดมันในคำด่านั้นไม่มีการผักใสนะ่สิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ใช่แค่แม้จะไม่ใช่เสียงด่าจะเป็นเสียงดังจจใจไม่ผักใสเสียงนั้น พรมีสตินะอันนี้เราว่าตัณหาไม่เกิดตัณหาในความหมายที่เป็นการผลักใสหรือว่าวิภาวะตัณหาความอยากมันมีสองอย่างง่ายๆนะอยากได้ก็อยากผลักออกไปหรืออยากกําจัดมีเสียงดังกระทบผูมีเสียงด่ากระทบผู้แต่ว่าไม่เกิดวิภาวะตัณหาไม่ผลักใสเพราะมีสติแล้วก็ไม่ยึดด้วยนะ ไม่ยึดเอามาปรุงแต่งเอาม า, เ, าเกิดอุปาทานขึ้นมาเขาดา่าเราเขาดา่าเราเขาดา่ากูัวเขาดา่ากูเจ็บเอามาคิดอยู่นั่นแหละอย่างนี้เราอุปาทานนะไปยึดติดถือมัน่นนะกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่มากระทบอย่างนี้เนี่ยมันก็ดำไปสู่ทุกข์ ไม่ว่าจะผักใสหรือว่าไขว่คว้ายึดติดมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่คำดาดเดียวหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจในสิ่งที่น่าพึงพอใจเช่นลาบทศสา ร, ศรศเสรนี่ถ้าไปยึดติดไปายถว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้มันก็ กระบวนการเกิดทุกข์นี่มันก็เริ่มขึ้นทันทีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมาไม่สำคัญทักับว่าเราทำอย่างไรต่อไปมีการปรุงแต่งแค่ไหนโดยเพราะการปรุงแต่งว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราถ้ามีความยึดติดถึอว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหรน่นะกระบวนการเกิดทุกข์ก็ตามมาทันทีหรือว่าครบวงจรเลย เมื่อเจ็บป่วยนะมันป่วยแต่กายได้นะแต่ว่าใจไม่ป่วยเพราะอะไรนะเพราะไม่ยึดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราอย่างที่ภาษาเลบุตเนี่ยได้แนะนะนะ้ะกูนบิดดาว่าเนี่ยกายป่วยใจไม่ป่วยเพราะว่าไม่ไปยึดว่ากายนี้รูปนี้เป็นเราเป็นของเรานะเมื่อกายแปรป่วนไป เมื่อรูปแปลปวนไปก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยไม่มีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจใหม่ๆเนี่ยนะเราต้องใช้สตินะเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะวางอาจจะปล่อยวางอารมณ์เช่นความโศกความร่ำไรรำพัน ปล่อยความปล่อยวางความโกรธความเกลียดไม่ให้มันมาเผาลวนจิตใจหรือกลีดแทงใจล้วนทั้งปล่อยวางรู้ลดกลิกก่นเสียงที่มากระทบเง่ยนเสียงดังแค่รู้เฉยเฉยอันนี้เราปล่อยวางที่สตินะทำให้เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ปรุงต่อไปเป็นตัณหาอุปทานแล้วก็นำไปสู่ทุกข์แต่ต่อไปเมื่อเราฝึกสติมากๆเนี่ยนะ มันจะเกิดปัญญาที่สามารถจะรื้อถอนอวิชชาได้เมื่ออวิชชาไม่มีอวิชชาดับนะสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับสลายตัณก็ดับกระบวนการเกิดทุกเนี่ยมันก็จะดับที่แรก ม, มันดับกลางทางก่อนคือเมื่อเกิดภาษาขึ้นมาแล้วมันไม่ปรุงเป็นตัณหาอุปาทานภพชาติชาามรณะ ก็ไม่เกิดโสกปริเทวะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปุถุชนอย่างเราทำได้แต่ต่อไปเนี่ยเมื่อสติเติบโตปัญญางอกงามจนรื้อถอนอวิชชาได้เนี่ยอันนี้มันก็จะดับทุกข์ที่ตัวต้นเหตุเลยนะคืออวิชชาไม่เกิดเพราะตามหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเริ่มต้นจากอวิชชานะอันนี้คือสิ่งที่ จะช่วยให้เกิดการรื้อถอนความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะปัญญาแต่ว่าถึงแม้ผุุ้กชนอย่างเรายังทำไม่ได้ขนาดนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นนะก็ให้มีสติไม่ให้ตัณหาอุปาทานภพชาติมันเกิดขึ้นนำไปสู่โสกะปริเทวาหรือความทุกข์ นี่คือสิ่งที่เราทุกคนทำได้และสิ่งนี้มันจะทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราเนี่มันงอกงามจนกระทั่งสามารถจะพาเราออกจากความทุกข์ได้เมื่อเราระลึกถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยนะก็ให้เราลึกนะว่าหรือเตือนใจเราว่าเนี่ยการตัดสรุคของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นแบบอย่างสาหรับเรา ไม่ใช่เพื่อให้เรามาเคารพ บ, บูชาพุทเจ้าแต่ว่าทำมากกว่า น, นั้นคือนําเอาคําสอนเอาการปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะมาเป็นแบบอย่างแห่งการปฏิบัติของเราเพื่อที่ต้นก้านเล็กๆจะเติบใหญ่จ น, จนกลายเป็นไม้ใหญ่อย่างที่พุทเจ้าได้ทรงเป็นแบบอย่างกับเราชาญยุทธ์พุทธนี้นะ